ธรรมะบรรยายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่สถธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่ได้แสดงไว้ที่ปเปรียญป ร, รียนธรรมสมาคมวัดสามพระยากรุงเทพมหานครในคราวที่พระเดชพระคุณท่านได้รับอาราธนาไปบรรยายธรรมเรื่องสู่ทางพระนิพพานซึ่งก็มีผู้ แสดงความเห็นทั้งสนับสนุนและก็คัดค้านหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้แสดงธรรมะเรื่องนี้จบลงแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าหลักฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ยกขึ้นมาแสดงมาอ้างอิงและก็บวกกับผลของการปฏิบัติธรรมตามบูรพาจารย์ที่ได้สั่งสอนถ่ายทอดมานั้นเป็นที่น่าสนใจว่า การที่คนเราศึกษาและปฏิบัติพระศาสนานั้นจะดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานจะทำอย่างไรจะเป็นไปอย่างไรและพระนับพระนิพพานที่ว่านั้นสามารถที่จะเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นได้หรือไม่จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังธรรมบรรยายเรื่องสู่ทางพระนิพพานซึ่งจะขอนําเสนอสู่ท่านสาธุชน เป็นตอนตอนไปเพราะความยาวของการบรรยายนั้นสองชั่วโมงโดยประมาณวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังในตอนแรกก่อนโดยพร้อมกันนมัส ก, การพระพุทธธรรมประสงค์และโดยเฉพาะอย่างยิง่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณ พ่อสมเด็จพระอุปชาและคุณครูอาจารย์แหลกขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านและก็ขอเจริญพรท่าน อาจารย์สังเวียนนายกสมาคมเปลี่ยนธรรมสมาคมและกรรมการผู้อาวุโสและกรรมการอื่นทุกท่านพร้อมท้งเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านด้วยวันนี้ มารได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมที่วัดสามพยานี้อีกครั้งหนึ่งในหัวข้อที่ชื่อว่าสู่ทางพระนิพพานสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ หัวข้อที่บรรยายนั้นจัดว่าเป็นหัวข้อสูงจึงหนักสำหรับอาตมาภาพซึ่งมีคุณวุฒิทางด้านทางธรรมเนี่ยน้อยแต่ก็ อยากพยายามทำหน้าที่ตามที่ได้รับอาราธนามาสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้สำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้นั้นอาตมาอยแบ่ง หัวข้อที่บรรยายออกเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆที่สำคัญคือจะเริ่มด้วยหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของพระนิพพานแล้วก็ จึงจะไปกล่าวในหัวข้อที่สองถึงพระประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์จะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายศึกษาปฏิบัติธรรมไปในแนวไหนเพราะเหตุใดแล้วก็จะไปหัวข้อสุดท้าย หลังจากได้กล่าวถึงหลักปริยัตในสองหัวข้อนี้แล้วก็จะลงไปถึงหลักปฏิบัติทั้งโดยหลักปริยัตและวิธีการปฏิบัติตามแนวพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งหัวข้อนี้ จัดว่าเป็นทางหรือปฏิปทาสู่พระ น, นิพพานทั้งนี้เมื่อได้บรรยายจบแล้วหากมีเวลาก็จะเปิดโอกาสให้ ท่านสาธุชนผู้ประสงค์อยากจะทราบทั้งในหลักธรรมหลักปฏิบัติและวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนว่ามีอะไรบ้าง ที่ท่านอยากจะทราบเพิ่มเติมหากว่าอาตมาจะพอชี้แจงได้ตามภูมิธรรมภูมิปัญญาที่พอจะมีก็ยินดีจะชี้แจงให้ทราบแต่ถ้าสุดความรู้สติปัญญาและภูมิธรรมของ อาตมาที่จะตอบได้ก็จะเจริญพรว่าสุดปัญญาที่จะตอบเพราะฉะนั้นในตอนท้ายของการบรรยายธรรมนี้จะเปิดให้ญาติโยมสาธุชนได้ถามปัญหาและขอให้ท่านได้เขียนปัญหาข้อที่อยากจะทราบในวิธีปฏิบัติ ตามพุทธภาวนาวิชาธรรมกายโดยแจ้งชื่อของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ไปส่งให้ไว้กับท่านอาจารย์สังเวียนเพื่อท่านจะได้นำมาในภายหลังและในการมรยายนี้อัตมาภาพ ได้เตรียมเอกสารสองเรื่องใหญ่ๆเอามาไว้แจกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบพอสมควรเอกสารที่เป็นหนังสือเป็นเล่มที่ชื่อว่าสร้างคนรักษาธรรมนั่นเป็นการแนะนำนโยบาย เกี่ยวกับบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและคณะผู้บริหารของสถาบันแห่งนี้พร้อมทั้งกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมปฏิบัติว่ามีที่ไหนอย่างไรพร้อมกับเอ ก, กสารที่เกี่ยวกับการอบรมพระกรรมฐานนั้นชุดหนึ่ง อีกชุดหนึ่งเป็นการถ่ายสำเนาเอกสารอ้างอิงซึ่งจะเรียงไปตามลำดับที่อาตมาจะได้นำมาชี้แจงในธรรมะบรรยายในวันนี้ท่านผู้ใดประสงค์จะได้เอกสารประการหลังนี้ให้ขอรับได้ที่ เ, เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวีระซึ่งกำลังถ่ายรูปอยู่นั่นกลังยืนเดินถ่ายรูปอยู่นั่นก็ขอรับได้หลังจากที่ได้บรรยายทำแล้วนี้มีแต่เพียงสามสิบชุดโดยประมาณทีนี้ก็มาเริ่มเรื่องสู่ทางพระนิพพานโดยจะเริ่มที่ความหมายของพระนิพพานซะก่อน พระนิพพานหรือนิพพานเฉยๆก็แล้วแต่เป็นความหมายอันเป็นที่เข้าใจกันโดยธรรมดาทั่วไปหมดในหมู่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมพอสมควรว่าหมายถึงการดับกิเลสเหตุแห่งทุกข์ กองทุกข์ก็ดับพระนิพพานนั้นเป็นโลกุตตรธรรมเป็นจุดมุ่งหมายสูงที่สุดในพระพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นใครๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์จึงต่างปรารถนานิพพานทั้งสิน้นแต่ว่า จะรู้จักพระนิพพานเพียงไหนนั้นมีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะว่าสัตว์โลกใดๆก็ตามย่อมไม่ปรารถนาทุกข์ย่อมปรารถนาแต่สุขอันถาวรด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าสภาวะที่ตนปรารถนาอันยั่งยืนนั้น ใครจะรู้จักดีแค่ไหนอย่างไรนั้นมีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้นมออกเผยแพร่แต่ว่าความเข้าใจในพระนิพพานเนี่ย ก็อาจจะมีบ้างที่เข้าใจในความหมายนี้แตกต่างกันไปบ้างจะเรียกว่าผิดหรือจะเรียกว่าถูกก็เรียกไม่ได้เพราะว่าผู้ที่กำลังจะคิดว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคือผู้ที่ยังไม่ได้พระนิพพานอย่างแท้จริงถ้าได้แล้วไม่ต้องคิดรู้เลย ว่าอะไรผิดอะไรถูกอัตมาก็ตกอยู่ที่นั่งนั้นเหมือนกันแต่ด้วยคำแนะนำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ด้วยการศึกษาในหลักปริยัติประกอบด้วยประสบการณ์จากธรรมปฏิบัติ ซึ่งอาตมาภาพเองนั้นได้รับมาแต่เพียงน้อยแต่ก็อาศัยประสบการณ์หลายๆท่านมารวมกันเข้าแล้วก็นำมาสู่ท่านทั้งหลายในวันนี้โดยจะขอแยกแสดงถึงความหมาย ของพระนิพพานเนี่ยโดยสามนัยยะด้วยกันซึ่งอันนี้บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าเคยได้ยินนัยยะเดียวคือสภาวะแต่อาตมาจะขอนำมากล่าวทั้งสภาวะพระนิพพานและ ผู้ทรงสภาวะนิพพานและอายตนะนิพพานซึ่งเป็นที่สถิตของพระนิพพานแปลว่าพูดกันสามนัยยะสามนัยยะนี่ไม่ได้มีความแตกต่างใดๆรวมเบ็ดเสร็จก็เป็นสภาวะนิพพานนั่นแหละแต่แจกแจงให้เห็น โดยที่เป็นสภาวะล้วนๆนั้นอย่างหนึ่งกับผู้ทรงสภาวะนั้นนั้นอีกอย่างหนึ่งและก็ที่สถิตอยู่ของผู้ทรงสภาวะนั้นซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในพระใยปิดกทั้งหมดเลยไม่ได้มีอยู่ที่ไหน จะกล่าวถึงประเด็นที่หนึ่งหรือในยะที่หนึ่งที่ว่าสภาวะพระนิพพานนี่ก็แบ่งออกเป็นสามประเด็นโดยประมาณท่านผู้ใดจะเข้าใจแยกแยะไปอีกกี่สภาวะก็ได้แต่ในสภาวะทั้งหมดนั้นขอให้เป็นสภาวะที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ ที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระไตรปิฎกและหรือผู้อธิบายพระไตรปิฎกที่เราถือว่าเป็นพระอาหารหันต์นั่นคืออัฏฐกถาจารย์สภาวะนิพพานในประเด็นที่หนึ่งซึ่งอาตามภาพจะกล่าวนณะที่นี้ก็คือว่า เป็นสภาวะที่ว่างคือไม่มีหรือพ้นไปแล้วหรือปราศจากแล้วจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งอันนี้ ตรงกับคำว่าศูนยังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวกันมากว่าศูนยตาบ้างหรือนิพานังประมังศูนยยังบ้างใครจะเข้าใจเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มี เอกสารที่แสดงไว้ชัดเจนอยู่ในพระสุตันตปิฎกอังคุตรณนิกายสัตตกะอัตตกะนวากะนิบาทมหาวั์ที่สองเวรัญเจสูตรว่าด้วยพระพุทธองค์ทรงแก้ข้อสงสัยของเวรัญเจพราม ข้อที่หนึ่งรอหนึ่งอาตมา จ, จะอ่านคำแปลเลยเป็นภาษาไทยให้ฟังตอนหนึ่งว่าสุญญโตอนิมิตโตจะดังนี้เพราะว่าบทเหล่านั้นแม้ทั้งสามก็เป็นชื่อแห่งพระนิพพานนั่นแหละจิงอยู่ พระนิพพานชื่อว่าเป็นธรรมชาติว่างเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะและพ้นแล้วจากราคะโธสะและโมหะเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพระนิพพานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสุญญาตาวิโมกจาก บาลีพระพุทธภาสิตและอัตถะคาถาจารได้อธิบายไว้คำว่านิพานว่างอย่างยิ่งอันนี้มีอยู่ในคัมภีร์มหายานนิพานังประมังศูนยยักแต่ในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทจะพูดเกี่ยวกับ สุญญตาวิโมกแต่ก็มีความหมายโดยในเดียวกันคือว่างว่างอย่างยิ่งบ้างแต่ว่างนั้นว่างจากอะไรว่างจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยในที่สองว่างจากอัตตานุทิฏฐิหรืออัตวาทุปาทานคือความหลงผิดไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารมีขันห้าเป็นต้นว่าเป็นอัตตาหรือจะกล่าวโดยรวบยอด ก็คือว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองไม่ใช่ความหมายที่ว่าว่างนะหมายถึงไม่มีไม่ใช่นะเอกสารหลักฐานนะว่าว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสก็มีราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี่ สภาวะของนิพานมีความหมายอย่างนี้ทีน่นี้ในความหมายนี้ก็หมายถึงว่านิพานมีนิพา น, น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 เป็นสภาวะประเสริฐสุดคือไม่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งพรรไตรลักษณ์ข้อนี้ก็มีปรากฏอยู่ในอัตถกถาซึ่งอธิบายกุตพจน ที่มีปรากฏในขุธกานิกายอิติวุตกะมีอยู่ในหนังสือนะหนังสือชื่อว่าพระสูตรและอัถกถาแปลขุธภนิขุกานิกายอิติวุตกะเล่มที่หนึ่งภาคที่สี่จัดพิมพ์โดยมหามากุฎราชวิทยาลัยเนื่องในวโรกาสครบสองร้อปีแห่งพระราชวงศ์จักรี ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมะสุสันติวันนี้นำเสนอท่านผู้ฟังเรื่องสู่ทางพระนิพพานที่จบไปสักครู่นั้นเป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านได้แสดงไว้ณปเปรียนธรรมสมาคมวัดสามประยากรุงเทพมหานครในคราวที่ได้ ร, ร, รับอาราธนาไปบรรยายธรรมเรื่องสู่ทางพระนิพพาน สำหรับวันนี้อาตมานำเสนอเป็นตอนแรกธรรมะบรรยายเรื่องนี้ยังมีอีกอยู่หลายตอนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องพระนิพพานจะปฏิบัติอย่างไรจะดําเนินอย่างไรให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลวงพ่อท่านได้ยกหลักฐานเอกสารตํำรับตําราในพระไตรปิฎกมาแสดงมายืนยัน ข้อธรรมที่กำลังบรรยายสำหรับวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านผู้ฟังโปรดติดตามรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุมั่นขวัญยืนสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติ ทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร